ในคาถาที่สาสิบสาได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาณาสีได้จตุทชาญองค์กรในปฐมชาญองค์นี้ได้ชาญที่สี่เลยเก่งมากเสร็จแล้วเท้าเธอก็สละราชสมบัติเพื่อตามรักษาชาญก็พนวดเจริญวิปัสสนาอยู่ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานเมื่อจะแสดงสัมปทาการถึงพร้อมแห่งการปฏิบัติของพระองค์จึงตรัสว่า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 น, นะแล้วก็อาศัยอันนี้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะส่วนคำอธิบายก็ศึกษาในจตุทัชฌานอวัลกันเนี่ยนะเพราะท่านบอกว่ารายละเอียดนู่นอยู่ในอัฐธาสาลีนีว่า ง, งั้นพระ พ, พุทธโกสอาจารย์ท่านบอกว่าข้อความทั้งหมดข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในอัตถกถาธรรมสังกหะที่ชื่อว่าอัทาสาลีนีไปดูเอาเล่มเจ็ดสิบห้าส่วนคาถาที่สามสิบี่ได้ยินว่า พระเจ้าปัจจันตราชาพระองค์หนึ่งหรือพระเจ้าพุทธกะราชาก็คือพระราชาองค์นีส้สมบัติไม่มากะนะเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนหน่อยว่างั้นเถอะเลือกษักดิ์เมืองยากเพราะงั้นพระองค์นี้มีพลนิกายประมาณหนึ่งพันครับเราเป็นพระราชาที่ค่อนข้างจนมากเลยนะมีทหารแค่พันเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นทรงมีราชาสมบัติน้อยแต่มีปัญญามากนะสิทรัพย์ทายนอกไม่เยอะแต่ฉลาดวันหนึ่งเท้าเธอคิดว่าเราจะ เราเนี่ยเป็นผู้ขัดสนไหมก็จริงแต่เราก็มีปัญญ า, าอาจเพื่อจะยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได้อย่างนี้ฉลาดนะคิดการใหญ่เลยจะครอบครองอินเดียทั้งหมดเลยอะ่ะทำไงส่งทูตแก่พระเจ้าสามมันต ร, ราชสามันตาก็แปลว่ากษัตริย์โดยรอบนะสามมันตานตก็คือโดยรอบอะ่ะส่งสารไปว่าภายในเจวันนี้จงให้ราชสมบัติแก่เราถ้าไม่ให้ก็ต้องรบทหารพันุเดียวนะั่เนี่ยทำเป็นเก่งเหมือนกัน ต่อจากนั้นพระองค์ก็ประชมพวกอํามาศของพระองค์ตรัสว่าก็คือเรียกว่าะจะถามดูใจพวกทหารที่มันจะคิดว่าไงก็เลยว่าข้าพเจ้านี้ยังไม่ได้ปรึกษาพวกท่านเลยได้ทําการผลผลส่งทูตไปอย่างนี้แก่พระราชาชื่อโน้นนี่เราจะทําไงกันดีแหมคือถ้าปรึกษานะทหารไม่ยอมหรอกเพราะก็คำสั่งออกไปเลยบอกว่าภายในเจวันเนี่ยยกเมืองให้เราถ้าไม่ยกเมืองให้เราต้องรบกันเสร็จแล้วพอส่งข่าวสารนั่นแหลแกล้งมาทําเป็นสำออยให้อํามาทหารวัง บอกนี่เราพูดอย่างนี้ไปแล้วลืมปรึกษาไปวังั้นทําไงดีวังั้นทหารอมาร์ดก็ทูลว่าอมาร์ดองค์ใหญ่บอกข้าแต่มหาราชพระองค์ก็อาจที่จะเรียกทูดนั้นกลับได้ไม่ใช่หรือโอ้ยงั้นก็ทรงทหารด่วนไปเรียกทูดกลับมาเร็วๆเขาวังั้นบอกไม่ได้ทําไม่ได้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 ขาดนั้นทหารหนึ่งพันก็ลุกขึ้นทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพราะองค์เป็นทหารทหารก็คือผู้กล้าเนี่ยนะพระราชาก็เลยคิดว่าเราจะทดลองทหารเหล่านั้นดูก็เลยสั่งให้เตรียมเชิงตะกอนบอกว่าจุดไฟขึ้นนะนะหาฟืนมากองกองแล้วก็จุดไฟขึ้นแต่ว่าพนายฉันได้ทำการผลุนพลันชื่อนี้นะครับคือศูนหันพลันเล่นคิดไปเอง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 พระราชาก็ตัดกับทหารว่าอีกห้าร้อยว่าพอ่อบัดนี้ล้วที่เหลือพวกเธอ500รอจะทำยังไงไอทหาร500รยก็กราบทูลว่าข่าแต่มหาราชนี่มันไม่ใช่การกระทําของลูกผู้ชายนั่นมันการกระทําของผู้หญิงเขานะไออาจะฆ่าตัวตายนี่มันคิดแบบผู้หญิงเหมือนกันความจริงมหาราชก็ส่งทูแตแกอริราชแล้วพวกข้าพระองค์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 เสด็จไปประทับยังนะชายแดนรัชสีมาแต่อยู่ในเขตแดนของตัวนะแต่ก็ได้ตั้งกองทัพไว้และเตรียมจะยึดเมืองอื่นฝ่ายพระเจ้าปฏิราชนั้นก็ทรงสดับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ดีใจว่าโอ้ยคุตการาชคุตการาชวโอ้ยกษัตริย์ยากจนเหมือนกันกษัตริย์ผู้ยากไร่ไม่พอแม้แก่จะทาตของเราเนี่ยเอาทาตไปรบก็ชนะแล้วงหมนกันก็เลยบอกก็แล้วก็ยกกองทัพทั้งหมดเสด็จออกไปเพื่อจะรบ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 ไอ้ที่รบจริงๆทำท่าจะ ก, กล้าตายเนี่ยถ้าไม่มีใครจ่ายรางวัลให้ก็เลิกรบเหมือนกันเลยมันก็บอกว่าพระราชาถูกจับแล้วก็รบเพื่อใครอย่างนั้นนีกันตเตลิดเปิดเปิงไปหมดฝ่ายพระเจ้าคุธการาชก็วิ่งไปข้างหน้าคิดว่าเราจะฆ่าพระราชานนจับได้ปั๊บเนี่ยพระเจ้าพระราชาองค์เนี่ยจะฆ่าเลยพระเจ้าปฏิราชก็ทูลขออภัยกับพระเจ้าคุถการาชนั้น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 ไปจนถึงจับพระเจ้าพาราันศีเพราะว่ามีกองทัพมาเยอะแล้วเนี่ยพันธุ์พระเจ้าคุตการาชเนี่ยมีกษัตริย์ตั้งร้อยหนึ่งองค์ไว้ล้อมอ่ะพะยึดเมืองเล็กเมืองน้อยยึดเมืองทั่วทวไปรวบรวมแว่นแควนเนี่ยนะรวบรวมตั้งร้อยเอ็ดแว่นแควนมาแล้วเนี่ยนะก็กษัตริย์มาเยอะเยอะกองทัพมาร้อยเพื่อมายึดเมืองพาลันศรีเมืองพาลานสีชื่อว่าเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ในที่สุดก็ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้นสวยราชสมบัติเนี่ยนะปัญญาณอะไรก อ, อะไรนะทหารพันเดียวในนที่สุดยึดได้ทั้งแผ่นดินเหมนที่นี้ต่อมาพระองค์ก็คิดว่าในการก่อนเราเป็นผู้ขัดสนแต่ก็ได้เป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยยานสมบัติของตนเพราะฉลาดแทๆ้ๆเหมือนันนะ ยานของเราใดเนี่ยประกอบด้วยโลกิยะวิริยะยานนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อนิพิทามาย่อมไม่เป็นไปเพื่อปราศจากราคะทีเดียวนี้ถ้าหากว่าเราพึงสแสวงหาโลกุตระธรรมด้วยยานนี้คือคื อ, ค, อคิดเลยนะว่าโอ้เนี่ยนะปัญญาของเราเนี่ยอุตสาหุ่มเททั้งหมดเพื่อเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินได้หมดเลยนะในที่สุดก็ได้แผ่นดินทั้งหมดมาอยู่ในกำ ม, มือเนี่ยนะ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 พระองค์ก็เลยพระราชทานสมบัติแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์ก็ส่งพระราชบุตรและมเหสีกลับชนบทของตนสรุปแล้วนะเพียงแต่ว่าอวดว่าฉันฉลาดฉันสามารถรวบแผ่นดินเอาทั้งหมดอยู่ในกำมือแต่ว่าตอนท้ายแบบเมืองใครก็เป็นเมืองของคนนั้นตามเดิมเหมือนกันลูกเมียก็กลับไปอยู่บ้านไปพระองค์ก็บวชเลยพระองค์ก็บวชปรารบวิปัสสนากรรมให้แจ้งซึ่งปัจเจกะโพธิยาน เมื่อจะแสดงวิริยะสมบัติของพระองค์ว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความเพียรก็ตรัสว่าบุคคลปรารบความเพียรเพื่อบรรลุ ป, ประมัทธประโยชน์คือพระนิพพานมีจิตใจไม่หดหูมีความประพฤติไม่เกียจคร้านมีความบากบันมั่นคงถึงพร้อมด้วยกําลังกายและกําลังยานพึงเที่ยวไปแด่ผู้เดียวดุดหนอแลชนั้นเนี่ยนะอธิบายว่าชื่อว่าปรารบความเพียรพราะอาธาวิวา บุคคลนั้นปรารบความเพียรแล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแสดงความเพียรมีวิริยรัมพะเป็นต้นของตนด้วยบทนี้นิพพานเรียกว่าประมัถิประมัติประมัติคือนิพพานเพื่อบรรลุประมัถิประโยชน์ด้วยการบรรลุพระนิพพานนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแสดงผลอันพึงบรรลุด้วยวิริยารำพะเนี่ยนะวิรเยนะทุกขมัติเจติตใช่ไหมบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรนี่แหละอารัฐทวิริโยปรมัถิปัตติยา อานานะการที่จะเข้าถึงประมัตทประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยอารัฐวิริโยการปรารบความเพียรอย่างยิ่งพระประเจกพรพุทธเจ้าแสดงความที่จิตและเจตสิกอันพละวิริยะสนับสนุนวิริยะพระนะสนับสนุนแล้วเป็นธรรมชาติไม่หดหู น, นะไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็อะไรนะเสื่องซึมเรียกาอาลีนจิตโตเนี่ยไม่ใช่เสื่องซึมหรือไม่เฉืยชาเนี่ย บางทีเนี่ยนะอะไรนะที่บริโภคกามแล้วก็โหขวนขวายเร่งรีบโหตื่นตัวตลอดพอสมถาวิปัสสนานิชานะดูเลยนะพันก็อาลีนจิตโตก็แสดงถึงความไม่เฉื่อยชาแห่งกายในการยืนนั่งและการจงกรมเป็นต้นด้วยบทว่าอากูสีตะอากูสีตะวุติแสดงความเพียรที่ตั้งมั่นเป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าถ้าเพียรจริงเน่เพียรยังไงกามังตะโจนะหาโรจัก ร่างกายเนี่ยมันร่างกายนี่นะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่บรรุอย่างที่ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษอย่างแท้จริงก็ไม่เลิกนะนี่เขาเรียกว่าทรหะนิ ก, กะโมบุคคลตั้งความเพียร น, นั้นในกิจทั้งหลายมีการศึกษาตามลำดับไตรสิกขาเนี่ยนะพระนศึก ในคำว่าเพียรในที่นี้ก็เพียรพอกภูนฑ์อิศีนทิจิตและอทิปัญญาเรียกว่าย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งประมัทสัจจะด้วยกายกายในที่นี้ก็คืออริยมรรคนั่นแหลอีกอย่างหนึ่งแสดงความเพียรที่สัมปยุต ด, ด้วยมรรคด้วยบทนี้จริงอยู่ความเพียรนั้นชื่อว่านิฆมะเพราะความเพียรที่ได้แล้วด้วยการภาวนาอันมั่นคงและเพราะเป็นความเพียรที่ออกจากธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น แม้บุคคลผู้สมังคีด้วยความเพียร น, นั้นหรือว่าสามัคคีด้วยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้คุณธรรมสามัคคีชื่อว่าทัหานิกะมะเพราะอาถาว่าบุคคล น, นั้นมีความบากบัอย่างมั่นคงบทว่าฐามะภะละปัญโนความว่าถึงพร้อมด้วยกำลังกายและกำลังปัญญาในขณะแห่งมัคอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดถึงพร้อมแล้วด้วยกำลังอันเป็นเรี่ยวแรงเพราะเหตุ น, นั้นบุคคลนั้นว่าชื่อว่าถึงพร้อมแล้วด้วยกำลังเรี่ยวแรง อ, อธิบายว่าไม่ถึง อ, อันถึงพร้อมแล้วด้วยกําลังแห่งยานพระประเจกพุทธเจ้าแสดงการประกอบวิปัสนาญาณยังความที่ความเพียร น, นั้นเป็นประธานให้สําเร็จโดยเยีบใครเนี่ยนะบททั้ง3ก็เป็นความเพียรในเบื้องต้นท่ามกลางและอุกฤษคือสุดท้ายในเทระถาอธิบายแบบเออข้าไปในจุลนิเทศเนี่ยนะอนธิบายไว้อย่างกว้างขวางว่า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 พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นปรารบความเพียรเพื่อถึงคือเพื่อให้ได้เฉพาะซึ่งพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อถูกต้องพระนิพพานถูกต้องกแปลว่าสัมผัสกับพระนิพพานเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานหรือเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระประมตถประโยชน์มีเรี่ยวแรงมีความบากบัน่นมั่นคงที่จะละอกุศลธรรม เพราะถ้าไม่ละอกุศลธรรมไม่เจริญกุศลธรรมจะเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้มันจะต้องละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะไม่ใช่ว่าทําแบบทิงง้งทิว่างๆเจริญกุศลแบบปล่อยปละ ล, ละเลยไม่ใช่ทําแบบไม่ทอดทุระเอาเป็นทุระจริงๆเลยเรียกว่าปรารบความเพียรเพื่อปรามัทถประโยชน์ปรารบความเพียรสมมาทานประพฤติกุศลเพื่อพระนิพพาน คำว่ามีจิตไมย่ย่อหย่อนมีมีความประพฤติไม่เกียยคร้านความว่าพระประเจกาสามัมพุทธเจ้านั้นยังฉันท่าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลศรธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพื่อละ อ, อกุศลธรรมอาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็อะไรสังวรประทานกับปร ะ, หาหาประทาน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 น้สละเนื้อสละเลือดให้มันแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกรช่างเจอะมาไงพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ทําลายบรลังนี้หมายว่าถ้านั่งคูบรลังนั่งขัดสมาธินี้แล้วเนี่ยนะตราบเท่าที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นถ้ายังไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นไม่ลุก พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นเชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียดคร้านด้วยอาการอย่างนี้ท่านนั่งครั้งนี้ไม่หลุดจากกิเลสเนี่ยไม่เลิกเหมือนกันพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งไว้ว่าเราจาไม่กินไม่ดื่มไม่ออกจากวิหารจากไม่เอ็นค้างลงนอนเมื่อยังถอนลูกศรคือตันหาไม่ได้เนี่ยนะถ้าถอนตันหาไม่ได้เนี่ยก็ขออยู่อิริยาบทนี้ตลอดไป นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียรตคร้านด้วยอาการอย่างนี้พระประเจกสมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ลุกจากอาสนะนี้ตราบเท่าเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากกามาสวะพะวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยตันหาอุปาทาน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 เราจะไม่ลงจากที่จงกรมอันนี้บางองค์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่จะไม่เลิกเดินอ่ะนะถ้าไม่บรรลุอ่ะนะองค์บอกว่าจะไม่ออกจากวิหารจะไม่ออกจากเพลิงจะไม่ออกจากปราสาทจะไม่ออกจากเรือนโล้นไม่ออกจากถ้าจากที่เร้นจากกระท่อมจากเรือนยกจากแม่แค่จากโรงนี้จากที่พักนี้จากหอฉันนี้มนดบนี้โคนไม้นี้หมายถ้งก็อยู่โคนไหนต้นโคนต้นไม้ต้นใดถ้าไม่บรรลุนะจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่นเราจะไม่ออกไปนี้เรียกว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียดคร้านด้วยอาการอย่างนี้อริอรหิตตัดโตมีตนส่งไปแล้วนี่ก็คือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตอุทิศเพื่ออารยมรักเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน